หมูที่านี้มันทำมุขจานี้ละเอียดตึ่าใ้อยม่ที่ะองค์ทำวาทำความขวายน้อยพระหนี่ขอมองอย่างพวกเราชุดเอื้อมบหลังนี่เราพวกเราพระพุทธเจ้าท่านท่านทรงทขวาทความขวายน้อย คือไม่หลัก่อนสอนสัตวคืนทําให้อีิจฉาอาใจที่จะสอนสัมันมาทําขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครรู้ได้มันเหมือนก็ไม่ใช่วิสายรปสัตว์จะรู้ได้การพระองค์กับสรู้ใช่ไหมขนาดไหนบางทีทํากับสิ่งที่พระองค์ได้เคยคุกเข้ามาสักกี่กรับอีกครันงร้สับทั้งไหนได้คุกเข้ามาผีครับผีสัน กับธรรมชาติที่ที่ทรงรู้กรงเห็นเป็นในขนาดนั้นมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องขนาดตัวน้ำพระ ท, ทัยเรื่องนั้นเรื่องของธาตุของขันดังที่ว่าอะไนหนึ่งพเาเนตรับตุดนึ่พาเนตมบูชาต้นโพนีเรื่องถึงถึงพระทยว่าอะไรนั้นเห็นคุณหมด มื่อเห็นธารมชาตินี้ถึงขนาดนี้โอ้โหโอโหเราสอนในรรู้ได้ทาถึงขนาดนี้แล้วนึ่งคิวบ์สงควรทำตอนนั่ก็พอมาเห็นในปัจจุบันนีไม่ได้แยกออกไปทางปฏิบัคิขึ้นนําเนินมันแยกไปหาเหตุมีแต่ผลเขาแยกไปก็กเราพูดภาษากระดาษของเราก็เมื่อทํานี้เป็นสิ่งที่สุริศร์ที่มนุษย์รู้ได้เรามนุษย์เรียนรูุ้ษย้กันอะไรเป็นเทวดาต่างหาก ถ้าทามาเรารู้ได้เรารู้ได้เาเห็นไงหนาขึ้นแลวนะขึ้นขึ้นแนวทางเนี่นเรนรู้ได้เพราเห็นไั้นั่นหน่การดำเนินเพราะมันก็มําเป็นอนาปะที่หนเหตุอ๋อขอปฏิบัติมีการดำเนินมไปรู้ได้ยังมีแต่แต่พระทยที่สังสอนกับโลกแหละที่นี้นะมาตอนงดี เนือขนาไหนที่เราล้าสังเนือขนาไหนเนือโลกเนือจนกระทั่งถึงว่าจะเอื้อมลงมาสู่โลกไมได้จะสอนโกไม่ได้เหมือนก็จะเอื้อนลงมาสู่โลกไม่ได้เนือขนาดไหนผ่านถึงนี้ผานเราเบื่อที่ผานลงมาเกิดมาตายกับที่เหล็กนีไหมเคยเห็นไหมความเบืออเรื่องที่ นี่นี่ผ่านมาดเด็กเอาความดุกันบอกขณาดไหนก็ขึ้นไปก็ปเป็นกระสอบอยู่บนเวทีที่มันจะตายแล้อกูโดโูเอกโคสอนไปนั่งดูลูกสิษตายเขาบนเวทีเป็กระสอบแล้วแต่ก็าตายเอาเหมือนของห น, นูใจเลย มันที่เห็กมันตบมันไตเ่เรามองไปหนก็เ็นแต่เป็นกระสอบมันที่เหล็กมันตบมันตอ่อร้อนสนุกเทอยังไม่รู้ข้าที่เหล็ไตยอ่ะไม่รู้เจ็บเหมือกัอบกรดาถามให้ <ขา S 1> ก็เด็กก็เกินอาจารย์ ท่บายมีสิแก่แกอุบายกับผมนะแคร์แตรกันไหนคือแร์ก็สอบเนอะแคร์ก็สอบเอาสติวิญญาณที่ไปแครเดี๋ยวก็สอบเป็นมัดขึ้นไปแครกันได้เลยมันก็เป็นองกระสอบสากระสอบอะไรเดี๋ยวนี้มันสามห้ากระสอบเลยนี่มีเยอะแยะคนพูดถึงกสอบของมันไม่คิดเอ้าว ผม ค, มคูดตามความจริงนะคือเหมือนนักครูดูนักมวยที่ต่อยนันเนอะมองเหน็นครูสอนเป็นยังไงไไวิธีการครูสอนคี่กับผมพยายามทิจารณนามาตั้งนานนะครับผมมันก็คอรดูไปเรืร่อยๆอย่างเงี้ยคือมันขนาที่กับผมทำสมาธิก่อนที่จิตมันจะลงไอ้สังขารธรรมความนึกคิดซุ้มแส ง, งต่างๆอดีตอนาคตมัน ทักจะมีมาหรือบ้างอืมมันเตะก็ต่แต่ว่าเรื่องสเร่กนไปน่อยใ่ไหะครับผมแล้วถ้าทำแล้วเดี๋ยวกระสอบก็หล่นทุาจะทำทุ่งหวานถก็ตอนที่มันไปลงจิจะลงจะพยายามตักั้งทั้งิกัิตเามันยังมีบ้างแล็กเล็กนอยก่อนที่จิะหลบผมพูดตามาจริงอย่างนอ่งมองดูหมู่รุ่นเรานี้ ผมไม่ได้ดูด้วยความเป็นเข้าผมดูในฐานะที่ถูกกับนักมวยนี่มันน่าโมโหนอกจากไม่พูด้เฉยๆนยเวลาพูดเวลาอะไรแบบนี้ยคุ้เจ้าของไม่ไม่รู้นี่แต่ฟังมันรู้อยู่นี่ช่องไหนมันออกยังไงไงเนี่ยมองเห็นอ่ามันมันบอกไงนอกจากไม่พูดถึงรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยง่แคเนี้อันนี้มันก็พูดให้ใครฟังไม่ได้เหมือนกันนะ หรือว่ามาจิตมันมันเหนือว่าฉัแล้วมันทำไมจะไม่รู้น่นก็ยังพูดแล้วเคยพูดเคยพูดเสมอว่าได้ปามันลงแหลกไปแล้วมันก็อยู่ในหัวใจในวะน่ะมันแสดงอาการอะไรขึ้นมามันก็เหมือนกันก็มันเคยแสดงอาการนี้ภายในหัวใจเราเนี่ยมันถึงกันถึงกันถึงกันเพราะอะไรหรอเพราไม่มีอะไรแสดงแล้วในหัวใจตรงนั้นมีแต่ทำรุนรุนจิตรุนรุน น, นน่ะอะไรยึดยันมันก็มีแต่เรื่องของนันทางนั้น เมื่อมันเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วถ้าไม่มีจะขนันร้อนๆเป็น อ, อย่างเนื้ออย่างที่สาหรับขัน้นๆคือหมาเขามาขันมันก็ละขันคือขันร้อนๆ ม, ม, มักมีกิเลสเข้าคลองทำไปเจาของทำก็มายุดนะกิเลสมันยุดมันบิ ด, ม, บดมันมาคับแต่ทำไปเจาของทำไม่ยึดแใช้ไปทางนั้นเนี่ยเหมือนเราเราใช้การใช้างานเครื่องม้เครื่องมืออย่นียเราใช้ยังไงไม่คิดอะไรเลยนะ คือเรายกมายกมือตนี้อันนี้มันรู้เมืไรมือเนี่ยมันไม่รู้มัาก็เหมือนเรายกอันนี้คืออันนี้ก็ไม่รู้ชั้นใดเรายกมือนี่มือมันก็ไม่รู้มือนกันอันนี้มันวิ่งมันรู้กันขนาดนั้นหรือว่างอาการของความรู้นี้มันก็ไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยอาการของความรู้มารู้อันนี้มันก็ไม่ใช่ฟังที้มันลเอียดขนาดไหนเพราะนจึงว่าพระธานนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่ประธันฟังที่มันรับตาพูดเลยอย่าว่างั้นหรอ เอามาพูดอวดโงโด่จะของทําไมขายทําไมโงโ่มันเป็นสลาดอยู่แล้วเต็มเมืองแผ่นดินสามไตแล้วก็ท่านยัง ม, มีแต่เรื่องของอเฉลี่ยๆมาพูดทาไมทั้งๆที่เอาทำมาพูดนะแกกี่เดียบเหยียบหัวนั่งกี่เดออกว่าลายไม่รู้ให้ยิ่มันเอาคํามลาดมาจากไหนมันมาขายโง่อย่างเต็มตัวเสียด้วยเรื่องกิริยาการตรงนี้มันยังไม่ใช่ธรรมชาตินั่นฟังเิ่ง เ ป, เ, s> <S เป็นอาการขอสมมติเดียวกันทั้งนั้นความรู้เหลานี้เัน่นี้เป็นอาการสมมติทั้งหมดอันนั้นเป็นอะไรฉันทโกเท่านั้นได้คำเดียวอย่างนี้นท่านครูเป็นฉานิโกอันเดียวเท่านั้นพูดไม่ออกปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเหล่านี้มันเป็นการของขันนั้นรู้นั่นรู้นี้รู้อะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเรียกว่าสมมุติว่าอาการสมมุติทั้งหมดที่มันอยู่ด้วยกันมันแสดงมันปฏิบัติต่อกันนี้เช่นการหลับการนอนการตื่นเหล่านี้ชาคล้านจริงๆนั้นอ๋อ ไม่ใช่อันนี้นี่นะเด้หรือมาพูดอนี้มันทำไมจะไม่รู้เพราะว่าพระหันยังนอนหลับไม่แล้วใช่พระละหันุึมไม่ละหันแล้วก็เป็นเหมือนมึงขี้คนตายเลยว่าจากบ้านนี่แล้วมึงนี่จะหันชี้แตกกันก็วันละหันลงหมอนอยู่ละวันพอละหันเปนไเป็นมันมึงเหยว่าจะกบ้าันสนุกว่านั้นนะใจไมต้องมาคุยที่กูอย่างนี้พูดสนุกผมมันมีตั้งก้อนตล ก, กุณมีนี่ว อันนี้ใส่หลบด้วยเลยตลบปับพลิกปั๊ลยนะเวลาใครมาพูดด้วยมันพ้นไม่ได้หล่ะน้าต้องอย่างน้อยก็เลือดเยิ้มหน่อยน้อยกว่านั้นก็หนังสลับก้นได้ดูครับผมมันเอาจนได้นะมันพับเลยพอพูดทุกคนพับขึ้นพับนี่นอกจากเราจะพูดวิพูดเราึ้นพับพับรับคำพับรับกันพับพับมันเป็นทุกวันเองนะจึงมาพูดว่า ใครที่ควรจะได้ร้อยเยกให้หมดทั้งอเปอซตอบให้เต็มแผงเตเลยนะผู้ที่ไม่ควรจะได้เลยนะไม่ตอบเรื่องไปท้งอื่นเยอะท่าท่านีขึ้นแล้วสิ่งที่แก้กันนะแก้เป็นธรรมนะไม่ใช่แก้ความแทบความย่าระแบบโลกนะนันไป็นมาขึ้นแล้วนี้อันนี้แก่อนั้นแต่อันนั้นไม่ยอมรับเนี่เอาไปแก้อย่างไนะโอเคว่าจะดีกว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่ทาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าจะได้ห้าสิเอร์เนก็ตอบให้ 50% 5หสิบเอร์น์ห้าสิอร์เนอาไว้ไม่ออก ก็จควรจะได้ถึงร้อปอ็นตสาป๋องเดียวเลยพังเลยที่เด่นทางไมไม่ได้เน้นไม่ได้หอบแบกที่เด่นมามันยอมรับทำทั้งๆ ท, ที่มาถามทำอ่ะนี่ก็ตอบไม่ได้เนี่ยตอบให้เกิดประโยชน์เพราะเราไม่หวังแพ้ชนะแบบโลกๆไม่มีอย่างนั้นเราไม่ไ ม, ไม่เคยสนใจจะหนักเบาขนาดไหนก็ตามตอยอกย้อนขนาดไหนก็ตอบเพื่ออะไรเพื่อทำทั้งนั้น ก็ยก็ครูคนีมันขึ้นเน่ะอออบ้างมขึ้นพระเจ้าไม่จ็นครูอ้อบ้างไม่เข้าใจภาษานี่ยก็เรียกครูบ้าเลยยกครูน่ะเขาเรียกอ้อยกครูอืออ้อบ้างมขึ้นแล้วการอดอาหารการอะไรผมก็เคยเตือนให้พีาตามพระาสเจ้าของมาแล้ย้ายคื่นก็ไปเกี่ยวเกี่ยวยาเอา คนอื่นอย่าเอาคุบาร์จันเข้าไปเป็นอารมณ์ในเรื่องนี้พินานาจาณาจะของอื่นจะอดมากอดอดขนาดไหนหรือวิธีใดของอุบาการประกอบความภาคเพียนเพื่อนุนความเพียนให้เจ้าของเป็นที่ถนัดใจจ้ของเองอย่าอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ถึงนี้ผมก็เคยทํามาแล้วไม่คงสัยแล้วเป็นอสัยาสายลมเองผมทำกดี การอุทานมันทํำมันทําให้ความเปลี่ยนสะดวกกันเรารู้เพราะนั้นมันถึงเป็นละมันเอาเป็นขมันเองทุกอย่างหรือเปล่าขนาดไหนมันก็ต้องทนต้งมันละเมื่อมันมีเห็นผลอยู่ผลของมันมีผ่าเขาอบรมนานท่องเสียผมก็ท่องเสียมาตั้งแต่โน้นแล้วแต่ผมไม่เด็ดเดี่ยวลายหากเป็นการเตือนมาให้รู้จักประมาณนั้นขอ ตอนนั้นมันไม่ได้คำนึงอะไรหละเรื่องอะไรจะเสียอะไรจะเสียอะไมีแต่เจอฟัดที่เด็กทำแหลกอย่างเนียวมันเลยไปใหญ่เพราะนี่สายผมมันสายขาดขนผู้วันมันก็ยังมีอยู่ของมันมันจริงจริงว่าจะธรรมดาหนะแตะว่าอะไรมันขาดทุบไปเลยมันมีอะไรมาต่อได้ถ้าเหตุผลไม่เหนือกว่าจะมามาทำลายทำไม่ได้เลยมันพุ่งเลยจ้ะเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องความตายไม่เห็นสัำคัญยี่งกว่าทำนั่นมันหนักกว่าตรงนั่นพวามเหตุผลลงแล้วขุนเลยจ้ะ นั่นคือเน้อฟ้ามันจะยุติตัวมันจะตายในเรื่องขอกมางเอาวันคือได้เห็นเหตุเห็นผลกันคือเนื่องมาพูดได้อย่างเต็มปากที่ได้ความอาัารมาอย่างเต็มที่แตได้จากการต่อสู้กับทุกข์แล้วผมประมาณนี้วาเอาใจเด็ดขนาดเรื่องของทุกขนี้ยังไงต้องเป็นหินและปัญญาให้ได้วางกันไม่ต้องเอาเรื่องความตายความตายความจนเกาะเป็นมุมใจไม่ใช่จนเกาะใจไม่เคยตายเอาความจนกาะเป็มุมเรื่รวมความจนของตายมาบังคับหัวใจสมัยน่ะ ความจริงไม่ตายวังอะไรใจก็คือธรรมชาติของจริอยู่แล้วฟาดกนลงไป เ, เป็นกับตายก็เป็นตายตายไปความจริงนี้จะไม่ตายเราจะเห็นความจริงอย่างเดียวเะนั้นเอาใครอะไรจะตายก่อนตายหลังมันฟัดกันลงฟัดลงฟ า, าดกันลงมันไม่คำนึงถึงความตายเจ็บปวดขนาดไหนไม่ยอมถอยเลยเอาความเจ็บปวนแส บ, บร้อนนั้นแหละเป็นหินรับปัญญาแยกแยะทั้งจิตทั้งกายทั้งเวทนาแยกไปแยกมานุกมากอะไรมันยิ่งหมุนตรงนั้นเราจะให้ อยากให้ทุกหายายานะจะประหยัดนะยาเท่าไรยิ่งทุกข์กทวีรุนแรงแล้วหายตึงนะอะไม่ต้องคํานึงถึงปัจฉาเลยนขนาดนั้นคํานึงถึงอย่ามุ่งมั่นต่อความจริงเท่านั้นจะให้รู้ความจริงเห็นความจริงเวเจ้าว่าทุกขงังเรียสจังเป็นของจริงประเสริฐมันประเสริฐที่ตรงไหนนะควนลงไปแล้วอ๋ออย่างนี้เหรอน่าคนลงไปหาเรื่องตายอะไรนั่นอะไรมันตายอะไรตายมันแยกมันขนาดนั้นนะอะไรจริงไม่มีอะไรตาย ถ้าถ ho, ิ่นร้านรถไฟมันตายที่ไหนไม่มีมาตังแต่ร่างเลยแล้วจิตที่กลัวตายกลัวตายมันเป็นยังไงมันยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายนั่นโอ้โหโกหกกันวะก็พูดมันพอรู้ชาแล้วโอ้โกกกันทั้งทั้ที่เราก็ไม่มีเจตนาว่าใครมาโกูใครแหละมันเป็นเราด้วยความมุ่งหมงส์ความรุ่งเรืตัวเองด้วยกันทุกคนนั่นแหละหากพูดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นเนาะโกหกกันอ๋อเวลามัน เอทุกขเวทนาเวลามันดับลงด้วยมันรู้เท่ากันด้วยสติปัญญาจริงจิงนี่มันขาดจริงจิงเนี่ยขาดซะบ้นไปเลยแม้ทุกจะเกิดจนโหมตัวเข้ามาจนร่างกายนี้มันจะเปลี่ยไปพังไปด้วยความร้อนนั่งแผดเผานั้งก็่ตามเถินจิตมันยิ้มได้อย่างสบายเลยเพราะไม่กระตุกกระเทือนกันเลยนั่นที่ถึงว่ามันจริงเนี่มันไม่กระเทือนกันนาวะมีกี่อันมันก็ไม่กระเทือนกันทุกกะเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตสามอันนี้มันไม่กระเทือนกันเลยเนียที่ไหน เปควารู้อาหารพมาในคันมันนั่นมาแล้ก็ได้รับได้ศักสทธิพยานนะไม่กลัวกลัวเรื่องขอความกลัวไปไปอยู่ในป่าแต่ก่อนมันป่ามันมีแต่ป่าเสือนี่นะเอืนองเอาก็เจยกระทั่งมันหานตัวสั่นนะกลับมามันก็รู้วิธีสู้กันแน่ผมมันไปยังั้นนิสัยมันไปยังั้นถ้ามันเอามันจะโดนก่องยิงมันฟัดกันเลย เคยฝุ่ยหู ว, ว่าวังไปโบราชอายุยี่สองปีสามปีภาษาสองไปโบราดไปกินขา้าวเจ้าโอ้โหจะคุปจะบกุณยังเคยกินข้าวเหนียวมันก็ยังหิวอีกแล้วไปกินขา้าวเจ้าพอไปชั้นลงไปชันไปเต็มท้องกินเจ้าม่มีอะไรใส่อยากจะลยย่ามสองย่ามสกายนี่นะทั้งนี่ย่ามนึงย่างนาหนึ่งมี่พ้องย่างใหญ่หนึ่งมันก็นยังไม่พอความอยากท้องเต็มแล้วปากยังอยากรู้สิหางยูที่ฉยเป็นไม่มีที่ใส่กินลงไปอะไรมันเต็มแล้ว มาอยู่เฉยๆทั้งที่มันหิวอยู่แล้นะมันยากอยู่นั่นน่ะอินเท้องมันเต็มไม่มีที่บรรจุแล้วปากมันยังยากเอ๊ปากกับทอมันไม่ได้สามัคคีกันทำไมเป็นอย่างนี้มาเอ๊ยยืดเฉยๆนะขนาดนั้นน่ะทีามันทําให้ผมไม่ลืมนะนี่ที่จะได้ฟาดกันนะอ้าวพี่นิพอยไปล้างบาตรพอฉันเสร็จแล้วไปล้างบาตเช็ดบาตรมันจะกินชักกินนาทีที่ดูสิพอฉันเสร็จเราก็ลงไปล้างบาตรเสร็จแล้ว ข้าทะเลุบาดจะไมเ่เสร็จชิหิวข้าวอีกแล้วเฮ้ยนี่นนสิมันทำไมกูก็ให้กินเมื่อสักรู่นี้มันทำไมไม่พอแล้วมันจะตายจริงหรือนานอะไรนะจริงอ่านะออลองดูนะไปให้มันรู้ไม่ฉันหกวันเจดวันเลยไปยังจะตายไหะไม่ตายที่่จากนั้นมาอาละะทีน่นีพอฟพ้าต้อเห่งกันหิวไปเถอะหกเจวันกูไดอดมาแล้วกูไม่เห็นตายมีวางาอ่ะอามึงกินหิวไปนะมึงก็หิวไปเถอะนาทีนีสู้กันได้แน่ันนะ เรืความหิวก็หิวมาล่ะแต่เรื่องอารมณ์บัวเป็นกบัวตายฉนั้นมันไม่มีที่มันไม่ตายซึ่งหกวันเจ็ดวันมันไม่เห็นตายนี่ไปหิวไปสิมันสบายอันนี้นรืความทุกข์กับมันกันทุกเวลานั่งมากน่าจฉพาะเวลานั่งมากมันเอาการตรงมาค้นหาความตายยิ่งไม่มีนี่มันก็เลยไม่กลัวกลัอะไรอี่มันมีแต่ความจินตุวนเต็มหัวใจยิ่งก้าหารทางไทย ตั้งทั้งที่อวิชามันก็มีอยู่ในหัวใจนั่นแหละแต่ธรรมะจิตมันอัศจรรย์นันขนาดนั้นเลยมันขาดสะบั้นจากกันเนาะเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนั่นแหละคืออวิชัยนันแต่ไม่ได้คำนึงถึงอวิชาลาตอนนั้นอ่ะมันไม่รู้นี่มันอัิจรย์ไม่ได้เลยนี่อ๋อมันรู้เลยประจักับใจแล้วมันก็ว่าอะไรตามีอะไรตายจิตก็ไม่ตายมันก็มีเหมือนแต่สักว่าปรากฏนั้น คือศัพท์ว่าปลากรกับความมหัศจรรย์ที่อยู่ด้วยกันตอนที่มันล้มลูกคลานมันีอก็โอ้โหมันจะเอาทิสานี้โดนภูเขาตั้งลูกมันเหลือะจิใจนะแต่ที่เด็กมันไม่ยอมมันเอาเรา ไม่หรือว่ามันจะสงบได้จะฟัดกับหัวมันได้แต่นี่มันก็ได้เพราะอดอาหารนะผมน่ะเนี่ยนั่นเวลามันคนองนองจริหน้าา่านี้มีกําลังจริงก้โถบางคับไม่อยู่เลยเหมือนกับช่างมันเหนือคอนี่ทําไงนี่ถึงขนาดนี้บางคำนี่มันออกทางนี้บางคำมันออกทางนี้อยู่กันอะเวลาทธามันมีกําลังมันเสริมกิเลสราคะตัณหาได้มากนะอืมทํายังไงทางไง มันก็อดอาหารมันจิ้งเบาลงไปเบาลงไปถือไม่มันคือขนอมันก็สงบสวงมันลงไปออมีันี้เป็นเครื่องเสริมเนี่ยมันก็จับได้แต่ครูอาจารย์ส่วนมากมีแต่นี่ใช้ได้เด็ดนะหลวงปู่มั่นก็ยกให้ มันผูเขาเนี่ยงใหม่ในหน้าของมันคือทางนั่นเด็กเด็กก็ถือแล้วมันหักเป็นไปงมันังละถึงว่าระที่จะช่วยตัวเองแล้วยังไงมันก็ยังยอมถอยเราค่นเราเนาะมันมีที่พึ่งอยู่มันก็พึ่งมันไปเรื่อยๆพอมันจนกล่องิงมันก็พึ่งตัวเองเน่ะตอนได้เขาใจเราเพราะฉะนั้นก้าพูดว่าคนเราไม่ได้ง้อก็เวลานาเนี่ยเวลามันจนกล่องถุมูมันช่วยตัวเองให้ฉลาดได้นาแล้วเอาตัวรอดไปได้นาย ถ้าสติปัญญาพ่ยังมาใช้แก้ดีเหตุนี่เราเจ้าสติปัญญาจะรู้โลกมาใช้ไม่ได้นะหลวงพ่ระพุทธเจ้าอาศัยด้กยังง้ออย่างนั้นเอาปีงินจังนะเจาร่วมสติบรรดาของทำรังวนแก้ดีเหยุหลวงพิทเจ้าแต่เรื่องก็เป็นเครื่องมือในทำทั้งหลายของรองค์เองแล้วทั้งหลายบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตภูมิก็เป็นเครื่องมือในทำทั้งหลายของท่านเอง เปนขึ ang, ang, ang, này, an, ơn, ้นในท่านเ่านคิขึ้นเองคิขึ้นเองแต่ความรความนี่ไม่ทันหัวใจมันผุมผรองวันไม่ไดอุายกใคเลยมือนเขาเาังได้อุายทั้งดุ่ทั้งดุ่มไปร่างก็คิดของนนวางงขึ้นมา ที่งี้ก็ไม่เข้าใจหมู่พวงทำในถึงขั้นจเข้าใจเห็นไหถ้าสิวิญญาณเยอะเป็นของตัวเองคิดขึ้นมาเองอย่างนี้ก็ไม่ข เ, ไมขเข้าใ จ, าาาจนะทีนี้เป็นธํา ร, ร่วงแก้วระโน์ได้อย่างตระกัดระกัระกัดนะจถึงใจใจเป็นเรื่องของธํรทําเป็นใจใจเป็นธรานแ้อกอกอะไรออกมาว่านี่จะเป็นทั้งนั้น รือไม่ไ้เข้าไปแทรกเพราะเรื่องไม่มีอะไรปแทรกแน่นังตรงจะเรื่องของทำรวมๆทำๆหน้าที่เทนั้นแม้ขันจะเป็นสมมติอยู่นั่นก็ตามที่ยาแห่งการทางานของของกรรทั้งหลายก็เป็นสมมติเป็นสมมติก็ต่างแต่ไม่ก็ทำกันอยู่ทำกันอยู่เท่านั้นจนะั่งหมดเวลาสิบจนเวลาสุข้าวันเปลื่อนสมมติทางไก็หมดปัญหาจะพูด อันนั่นหละอันทีท่กลัว น, นั่นแหะจริงที่พพุทธเจ้าผู้นี้ผ่านแล้วสาวกผู้นีผ่านแล้วอันนั้น น, น่ะมันพูดไม่ได้แต่ว่า น, นี้ถ้าพระพุทธเจ้าพระสาวกองใดสงสัยนะพูดไม่น่าก็ไม่สงสัยแน่ก็เพืออันนั้นแหละที่วําคนี้อยู่มีอยู่นี่แหละ อย่างที่เป็นไมท่านาสงสัยอะไรว่ามันก็เป็นทรรมธเป็นท่านแล้วท่นานจะสงสัยอะไรว่าทรรมีอยู่อยู่ ย, ย, ยังไงมียังไงมีทย่งเนไกล้าปฏิเสธได้เ ส, ส, สียถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำมนั่เพ้าไม่ใช่ธรรมชาตินั้นน่ะพวกเราพวกข้าศัตรทไง เนี่ยมมีงานกันอีกแล้วเนาะวางพระจงแหวกแน่วันี้นะเนี่ยถึงได้ที่จะพูดแล้วใหญ่ผมตั้าๆนะผมละอาจจะอกแค่แตกแล้วนะนี่ยมาเป็นบ้าหเห็นตอนหน้ารถไฟผมถึงโดดนี้จากหูเพื่อนคำแพงแตกไปไม่รู้ตัวนะเอาล่ะเลิกกันแล้วที่นี่อ่